สิกขาบทที่10ภิกษุณีสอนเดรัจฉานวิชาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังสอนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกบทจิตตาคารวักที่หจบ